นิพพานธาตุอย่างที่สองอนุปาทิเสสานิพพานธ า, นาตุแปลว่าภาวะของนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่หรือนิพพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับขันธาได้แก่นิพพานของพระอรหันต์พ้นจากเวลาที่เสวยอารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งห้าหรือนิพพานของพระอรหันต์ที่นอกเหนือจากความเกี่ยวข้องกับขันธาในกระบวนการรับรู้เสวยอารมณ์พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะของนิพานเองล้วนๆแท้้ซึ่งประจักษ์แก่พระอรหันต์ในเมื่อประสบการ์ในกระบวนการรับรู้ทางภาสาทั้งห้าสิ้นสุดลงหรือในเมื่อไม่มีการรับรู้หรือในเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ทางภาสาทั้งห้าเหล่านั้นรวมทั้งอารมณ์ผ่านทางภาสาทั้งห้านั้นที่ยังค้างอยู่ในใจขยายความออกไปว่าอนุปาทิเสสนิพานธาต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 อารมณ์หรือประสบการณ์เหล่านั้นก็ไม่ค้างคาที่จะมีอานาจครอบงาชักจูงหรือรบกวนต่อไปอีกจึงกลายเป็นของเย็นคือสงบราบคาบหมดพิษสงไปไม่อาจก่อชาติก่อพบขึ้นได้อีกพูดเป็นสำนวน ว, นว่าพระอรหันต์มีความสามารถพิเศษที่จะทำให้อารมณ์หรือประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามามีสภาพเป็นกลางปราศจากอานาจครอบงำงวงเหนียว กลายเป็นของสงบเย็นอยู่ใต้อำนาจของท่านพระอระหันต์จึงได้ชื่อที่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งว่าสีติภูตะหรือสีตะแปลว่าเป็นผู้เย็นแล้วภาวะที่ประจักษ์โดยปราศจากประสบการณ์เสริมแต่งค้างคางอยู่หรือภาวะที่ประสบในเมื่อไม่มีอารมณ์ภายนอกข้างค้างครองใจหรือคอยรบกวนอยู่เช่นนี้นับว่าเป็นภาวะชั้นใน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกล้าเลอไปกว่าระดับการรับรู้ทางอินทรีห้าพ้นจากกระบวนการรับรู้เสวยอารมณ์ที่บัวพันอยู่กับขันห้าเรียกได้ว่าเป็นการเข้าถึงภาวะที่ปราศจากพบหรือไม่มีพบใหม่ในภาวะเช่นนี้คือเมื่อไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์ท่านผู้บรรลุนิพพานแล้วก็จึงมีนิพพานเป็นอารมณ์คือประจักษ์ หรือประสบนิพพานในฐานะที่เป็นธรรมายตนะธรรมายตนะคืออาญาตนะภายนอกอย่างที่6ได้แก่ธรมมารมซึ่งแยกได้เป็นขันศีกกับนิพพานขันศีได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและรูปบางอย่างในรูปขันนิพพานเป็นธรรมที่นอกเหนือจากขันหดังในคำภีชั้นหลังมีคำแสดงลักษณะนิพพานอีกคำหนึ่งว่า ขันทวินิมุดแปลว่าพ้นจากขันคือจัดเข้าในขันห้าไม่ได้แต่กระนั้นก็จัดเข้าในธรรมายตนะด้วยนิพพานในข้อที่สองคืออนุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุนี้เป็นด้านที่เพ่งถึงภาวะของนิพพานเองแท้ๆที่ประจักษ์แก่พระอรหันต์พ้นจากกระบวนการรับรู้เสวยอารมณ์ภายนอกนอกเหนือจากการดําเนินชีวิตตามปกติเป็นภาวะที่พูดถึง หรือบรรยายได้เพียงแค่ลักษณะของการเกี่ยวข้องกับนิพานนั้นถึงจุดที่ประสบการณ์อย่างที่รู้ที่เข้าใจกันซึ่งไม่ใช่นิพานได้สิ้นสุดลงส่วนภาวะของนิพานเองแท้แท้ซึ่งลึกเลยไปกว่านั้นเป็นเรื่องของผู้ประสบและประจักษ์เองจะรู้และเข้าใจคือเป็นสันทิฏฐิกะดังได้กล่าวมาแล้วถ้าจะอุ ป, ปมาเปรียบมนุษย์ปุตุชนทั้งหลายเหมือนคนที่ว่ายน้ํา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 ไม่ถูกกัดขวางทวงหรือจะงักงันด้วยความเจ็บปวดและอ่อนเปลี้ยเป็นต้นสามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆได้ตามต้องการภาวะนี้เทียบได้กับสะอุปาที่เสสนิพาน